Thank <laughs> you.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 ส่วนกายส่วนจิตส่วนกายนั้นก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารส่วนจิตก็เลี้ยงด้วยสิกษาและทัศน์คือคุณธรรมเป็นอาหารจิตเราจึงมีการศึกษาทั้งสองส่วนให้อาหารทั้ง2 ส, ส่วนจึงจะสมดุลการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเป็นการให้อาหารจิตวิญญาณ ให้จิตวิญญาณได้สัมผัสกับปกติธรรมทั้งหลายในสภาพของจิตไม่ใช่ว่าจะคิดปุ่งๆแต่งๆโดยเฉพาะจิตใจของเรานะ่ยเราใช้จิตใจไม่เป็นเอามาไหววิตกองวลเศร้ามองเอามาไหวรักไหวชังเอามาไหวสุขไหวทุกข์มันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตบางทีเราก็คิดจนทำให้ตัวเองเก็บปวด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 เราก็ใช้กายใช้จิตของเราให้เหมาะสมไปกับเหตุปัจจัยต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้สัพพรัสสังธรรมรัสโสลดของพระธรรมเนี่ยชนะลดทั้งปวงไม่ใช่ลดแบบอะไรต่างๆที่ลดของโลกมันก็มีลถนะโลกก็ไม่ลดนะจนมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายติดลดของโลกถล้วไม่มีสติสัจจ น, นี่ยโลกก็ไปจินหมดเลย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 กายบางคนไม่ลดกินอาหารทางกายกจิตใจมันก็ไม่ลดกินอาหารทางจิตแต่ว่าจิตนี่แทบจะไม่มีรมแรงแหกแห้งไปทุ่มเทให้กับตาหัวจมูกเล่นกายไปเสือทั้งหมดพอเราได้ลดของพระธรรมแล้วลดทัองพวง ก, ก็จะจืดนะเราว่าจืดแต่มันไม่มีค่าส่วนจิตที่มันเป็นอิบความปกติของจิตนี่แล้วก็ใช่ลดจนถูกต้อง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 ร1 1ยสองร้องตาอยู่มึงเลยปฏิบัติธรรมกัวหลวงปู่เทียนมีชาวบ้านลูกกับพ่อตายอันนี้เห็นกับตาแล้วก็พ่อกับลูกสะั้ยอยู่บ้านปู่เนี่ย ก, ก็พูดกับลูกสะั้ยลูกสะั้ยก็ร้องไห้ไปหาหัวของตนที่ทำงานอยู่ในไร่ ขับรถปอเตอรไซคไปบอกหัวตัวเองว่าปู่ด่าหัวของตัวระดเยดเมียไปบอกขณะที่ทำงานอยู่ก็าโกรธทันทีคนทำงานหนักๆอะไรก็ตามันจะโกรธง่ายใจมันจะเปราะบางพอไปบอกว่าปู่ด่าก็โกรธทันทีพอโกรธล้วก็ขับรถปอเตอรไซค์กดเบืกลงเลยมะเก็บมีปืนลูกสอง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 ที่สุดของการศึกษาปฏิบัติคือพรหมวจันทร์พรหมจันทร์คือความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ความปกติอัน น, นี้เราต้องทําให้เป็นถ้าไม่หัดมันก็ทําไม่เป็นมันก็ข้อเอาตะเพิตะเพิ่งลกจากเลือกการรู้จากเลือกเขาเรียกว่ารำมิจยะทหรือโยนิโสมันนะสิการสอดส่องเหมือนก็เรากินข้าวกินอาหารต้องขบต้องเคี่ยวการเคี่ยวอาหารเนี่ยบางทีมันก็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 บางอย่างก็ทำให้เศร้าให้หมองทำให้เปืดอเพื่อนได้อันั้นกับสาราหลังเน่แหละจิตนะใครมาอยู่ก็ได้สาราหลังเน่ไม่ว่าอะไรจิตของเราก็เหมือนกันอะไรมาอยู่ก็ได้แต่ว่าจิตไม่ว่าอะไรกับอะไรความรัก off, เกิดขึ้นกับจิตอ้าวจิตก็ไปรักแล้วความชังที่เกิดขึ้นกับจิตอาต้าวจิตก็ไปชังแล้วความทุกข์ความสุขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเราก็ทาตามอาการที่มันเกิดขึน้น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 เสียก็รู้แล้วได้ก็รู้แล้วรู้เริงๆรู้เรื่องนี้ไม่ให้เสียงเหล่านี้มาทับถมได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วโอ้รถของโลกทับถมเอนทาก็ซักเราให้ทุกสาะเขินก็ซักเราให้สุขเสียก็ซักเราให้ทุ ก, ก, ทกได้ก็ซักเราให้สุขถูกเขาซักให้เราอยู่เช่นนั้ไปคนละมุมไปคนละฉาบชีวิตจิตใจอันเดียวฟูฟูแผลบ